อืเราก็ทำปัดเย็นเสร็จแล้วก็ฟังธรรมโน้น น, ะนะั่นเนาะฟังใจฟังใจฟังในความมีสมาธิมีสติที่เพวกเราได้สวดมนต์เมื่อสักครู่นักเป็นมมีบทมหาสติ ป, ประธานสูตรนะ ประสูตรนะที่สำคัญมากที่เมืองไทยก็มีหลายวัดที่ที่สวดแล้วก็แปงกันหรือก็มีหลายสำนักปฏิบัติธรรมก็ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแบบตามแนวมหาสติปัฏฐา น, นสูตรนะหลายวิธีการนะหลายสำนักเขาก็ <c oughs> เขาก็พูดกันอย่างนี้ พวกเรารู้ไหมสถานที่ที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมเรื่องมหาสิประธานสูตรเนี่ยตอนนี้นะกลายเป็นที่แบบที่เล็กๆนะตามหายากมาอยู่ที่นิวเดลีนะเป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดียนะน้อยคนที่จะรู้จักสถานที่ตรงนั้นว่าโอ้พระพุทธเจ้าเคยไปแสดงธรรมที่ตรงนั้นนะ เมื่อคราวที่แล้วก็ได้ไปนะก็มีล้อมรั้วไว้อยู่ท่ามกลางชุมชนชาวฮินดูนะมีต้นไม้ไม่กี่ต้นมีคนดูแลอยู่คนสองคนไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปมีแต่พวกเราเข้าไปนะเป็นสถานที่ที่ถ้าเทียบปัจจุบันแล้วมันเงาเงาเนาะเป็นสถานที่มีกองหินมีโบราณสถานนิดนึงนะ อยู่ท่ามกลางชุมชนมันเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเหมือนไม่มีพลังนะอเคยเคยคุยกับหลายคนนะบางคนเขาว่านะไม่รู้พวกเราคิดอย่างนั้นหรือเปล่านะมีเคยพาโยมไปอินเดียหรือเคยคุยกับพระนะท่าบอกว่าที่ฟังพุทธประวัติต่างๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยเชื่อเลยคิดว่าเป็นเรื่องที่แต่งเอา เรื่องราวพระพุทธเจ้าเนะี่ยก็แต่งเอาเนะเรื่องประวัติต่างๆที่ได้ไปสอนที่นั่นที่นี่เนี่ยก็แต่งเอานะหลายคนเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่พอได้ไปประเทศอินเดียไปเห็นสถานที่จริงๆค่อยอ้อต้นต้นโพที่พระเจ้าท่านตรัสรู้นะก็มีอยู่ตรงนี้จริงๆเหรอหลักฐานมีจริงๆนะที่นั่นที่นี่เนะี่ยที่ท่านแสดงทำเหตุการณ์ต่างๆอ๋ะมันมีอยู่จริงเหรอนะ ไม่มีอยู่จริงนะโยมนะแต่ก่อนบางทีเราฟังเรื่องดาวพระพุทธเจ้าทําไมท่านเกิดมาก็เดินได้แล้อเจ็ดเก้านะ 7, 9, นะพูดได้ด้วยนะเรื่องราวอิทธิฤทธิปฏิหารเยอะแยะมากมายเกี่วกับพระพุทธเจ้านะบางทีเราก็อย่าไปไปดูนะในส่วนตัวจะมาเรื่องเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารไม่ค่อยสนใจนะักนะแต่สิ่งที่สนใจคือพระเจ้าท่านท่านน่าสนใจตรง เราอกคิดดูพวเจ้าถ้าเป็นลูกลูกกษัตริย์เนาะเป็นเจ้าชายทุกสิททุกอย่างท่านมีพร้อมทั้งหมดเลยถ้าเทียบก็คือว่าความสุขทางโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมีพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นลูกรักภายนอกที่ที่ดูดีนะการศึกษาที่ดีนะเรียนจบ18แปดวิชานะ<ม>เงินทองก็มีนะ ภรรย า, าก็สวยนะบริวารก็เยอะแยะมากมายนะแต่ทำไมคนที่ดูมีความสุขมีความสมบูรณ์ขนาดนั้นทำไมท่านต้องออกจากวนะังไปหาความจริงด้วยมายว่าเรื่องดาวพระเจ้าแบบนี้น่นาสนใจนะทาไมความสุขทางโลกการศึกษาทางโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีพรเนะี่ยทาไมทำไ ม, ท, ำไมท่านไม่เสพหรือไม่ พอใจแค่ตรงนั้นเพราะว่าตอนนี้น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเราพยายิจารณดูดีๆนะความสุขทั้งโลกเนี่ยเงินทองมีมากเท่าไรนะก็ไม่เห็นมีใครเอาอไปได้นะใบหน้าที่รอที่สวยสักวันหนึ่งก็เหี่ยวก็เท่าไปนะก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นธรรมดานะภรรยาจะสวยสามีจะหลอลูก หรือทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะสุดท้ายมันก็ต้องจากเราไปทางนั้นไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยใช่ไหมพระเจ้าท่านก็คงพิจารณาตรงนี้แหละว่าโอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเนาะร่างกายของเราเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทนระัพย์สินเงินทองต่างๆก็ตายไปก็เอาไปไม่ได้นะชื่อเสียงเกียรติยศความรู้ทงโลกต่างๆนะ พอมีความทุกข์ขึ้นมามันก็ช่วยไม่ได้ใช่ไมนะั่ท่านก็เลยเดินทางนะไปหาทางออกจากความทุกข์หนะมายว่าตรงนี้สำคัญมากสาคัญมากนะแล้วพระเจ้าท่านไปแสดงธรรม ท, ที่ตรงที่บอกว่าเนะี่ยที่นะ่ะหมู่ชนชาวปุรุเนี่ยแหละนะท่านสอนเรื่องมหาสติปัฐานสูตรท่านบอกว่าเป็นพสูตรเป็นทางสายเอกนะ่ะ ทางเอกที่ออกจากความพ้นทุกเนี่เนระียกว่าเป็นทางถ้าเป็นทางแบบบ้านเรานะก็เหมือนทางยกระดับเลยนะทางด่วนทางที่มันคล่องตัวนะทางที่ออกจากทุกได้อย่างตรงอย่างเร็วที่สุดนะที่พวกเราได้ได้สวดกันเป็นสวดแบบย่อๆเนาะน่ะเผื่แบบย่อๆที่จริงมันยาวกว่า น, นั้นแล้วก็แปลเยอะกว่า น, นั้น แต่พวกเราอาจจะไม่ต้องสรวจทั้งหมดก็ได้นะที่อา จ, จมาพาพวกเราปฏิบัตินั่นแหละคือแบบย่อที่สุดเลยนะคือการทําความรู้สึกตัวนะทำความรู้สึกตัวเพืนะ่ออะไรทําความรู้สึกตัวเพืออ่อเห็นตัวเรานี่แหละนะเห็นกายนะรู้สึกตัวนะก็เห็นร่างกายเราก็เห็นอยู่แล้วนะร่างกายร่างกายนั่งร่างกายเดินร่างกายยืนร่างกายนอนร่างกายกิน ร่างกายหายใจนะเฮ้ยเราบางทีบางคนก็อาจจะสงสัยเห็นร่างกายแล้วมันจะได้อะไรนะเห็นร่างกายนะความจริงในร่างกายเนะี่ยมันจะสอนเราโยมนะอย่างโยมนั่งนะตอนแรกนะก็นั่งสบายนะแต่พอนั่งไปสักพักหนึ่งเอา้าเริ่มปวดเริ่มเมื่อยเริ่มง่วงเริ่มเบือ่อเริ่มเจ็บแข้งเจ็บขานี่ ร่างกายเขาสอนว่ามันไม่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เนี่ไหมนร่างกายนะมันไม่ได้บอกโอ้มันจะต้องดีตลอดน่ะแข็งแรงตลอดไม่ปวยไม่เมื่อยมันไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยมันบอกว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นีเขาสอนเราอยู่แล้วนะเขาสอนเราตั้งแต่เด็กนะจนถึงตอนนี้นะจนถึงวันตายเนี่ยเขาก็สอนเรื่องนี้แหละร่างกายนะที่เรามาดูร่างกายเนี่ย อเราก็จะเห็นโอ้ร่างกายเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะไม่มีใครหนีพ้นเนาะมันเป็นธรรมดาของร่างกายแต่ส่วนหนึ่งพอเราปฏิบัติธรรมเนาะพอเราดูร่างกายจิตใจมันมีเครื่องอยู่นะแต่ก่อนนะจิตใจเราไปไหนนะก็ไม่รู้นะเร่ร่อนนะซับซอนนะหลวงพ่อคำเขียนนะท่านใช้คำว่าจิตนะ ที่ไม่เคยฝึกเนะี่ยอันนี้ขอโทษนะอาจจะเป็นคำายามนิดนึงนะท่านบอกว่ามันเป็นจิตที่สับสนนะเป็นโซเพนีจิตนะคือจิตที่มันคิดอะไรก็ได้นะคิดดีก็ได้คิดชั่วก็ได้ล้างนกสกปร ก, กยางไรคิดได้หมดนะจิตที่มันสับสนจิตที่มันไม่ฝึกเนะี่ยโอ้คิดด่าพ่อด่าแม่ก็คิดได้นะคิดฆ่าคนตาย คิดข่าตัวเองตายนะก็คิดได้หมดนะจิตน่มันคิดได้เยอะแยะมากมายนะบางครั้งจิตมันก็คิดดีนเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาบางครั้งจิตมันก็คิดร้ายนะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายนะจิตนะนี่แหละนะมันเป็นตัวกำหนิดชีวิตเรานะสำคัญมากนะจิตของเรานะถ้ามันไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยมันจะคิดไปเรื่อยนะคิด ที่เขาบอกว่านะสวรรค์อยู่ในอกนระกอยู่ในใจนะมันคือตรงนี้เนี่ยแหละนะคือมันจิตนี่แหล ะ, นะ ม, หละมันคิดนะคิดดีก็ไปสวรรค์คิดชั่วก็ตกนรกนะอันเนี้คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะจนะิตอนะของคนเราเนี่ยแหละนะน่ากลัวกว่าจิตของสัตว์เดรัจฉานอีกนะเพราะจิตของคนเราเนี่ยมันคิดปรุงแต่งในสารพัดนะ ถ้าเราเชื่อทุกความคิดถ้าเราทําตามทุกความคิดเนี่ยหมาว่าบุญแน่นอนนะชีวิตเราเนี่ยนะเช่นโอ้สมืติพอคิดอะไรที่จะทําผิดศีลปุ๊บนะถ้าเราไปเชื่อมันปุ๊บเนี่ยโอ้ยอาจจะเดือดร้อนแล้วนะอาจจะเดือดร้อนหรือคิดโอ้ยปฏิบัติรำรแล้วเบือ่ออยากกลับบ้านนะ อาจจะกลับบ้านได้นะแต่อาจจะเดือดร้อนภายหลังหรือเปล่าไม่รู้อะไรแบบนี้นะบางทีความคิดบางอย่างมันทําให้เราทําทําแบบไม่ทันยังคิดเนาะบางทีมันก็เกิดผลตามมาอีกเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่เราฝึกนะเราฝึกอะไรคือฝึกให้จิตมันรู้ทันความคิดนะเวลามันคิดปุ๊บนะเราอย่าไปเชื่อมัน ให้ดูมันก่อนนะอย่าเพิ่งไปเชื่อมันให้ดูมันนะเราจะเราจะเห็นว่าเฮ้มันคิดขึ้นมานะเดี๋ยวมันก็หายไปนะเดี๋ยวมันก็จบไปจิตน่ยมันคิดไปเรื่อยเราก็ดูมันคิดไปเรื่อยนะแต่อย่าไปปรุมกับมันนะดูมันดูมันเฉยๆนะหรือเราไม่ดูความคิดตรงๆนะเราก็กลับมารู้สึกที่ร่างกายของเราเนี่แหละ เราก็จะเห็นเออร่างกายมันก็เดินเอแต่ทำไมใจมันไปคิดว่าอะไรแบบนนะอืนใจหนึ่งมันคิดร่างกายมันเดินแต่ตัวที่รู้ว่ามันเดินตัวที่รู้ว่ามันคิดเนี่ยอันนี้แหละเรียกว่าจิตผู้รู้ที่เรามาฝึกจริงๆคือฝึกมีจิตผู้รูนะ้จิตผู้รู้เนี่ยแหละนะจะเป็นเรียกว่าเป็นบิดาเป็นมารดา ของชีวิตเราเลยนะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้คุ้มครองชีวิตเราเลยนะที่เรามาฝึกสติเนี่ยที่บอกว่าให้มีสติให้รู้สึกตัวนะก็คือฝึกให้มีจิตผู้รู้นะผู้รู้ก็คือผู้ที่ไม่หลงนะผู้หลงก็คือผู้ที่หลงไปกับอารมณ์ปรุงแต่งของจิตผู้ที่หลงไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆเนาะเรามาฝึกตรงนี้ยฝึกจิตผู้รู้ขึ้นนะ เราจะเห็นว่าโอ้ร่างกายเนาะมันก็ยืนเดินนั่งนอนนะจิตเป็นผู้รู้จิตหนึ่งเผลอไปคิดก็มีจิตหนึ่งที่รู้ทันว่ามันเผลอไปคิดเราก็จะเห็นเหมนะโอ้ชีวิตเรามีแต่ร่างกายกับจิตใจแค่นี้เนา ะ, นะเราหลงอะไรละ่ะเราก็หลงร่างกายหลงจิตใจนี่แหละหลงว่าร่างกายมันเป็นของเราจริงๆนะแต่จริงร่างกายมันบอกโอ้ย มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อย่ามาเอาเลยยึดเอาแน่เอาน้อยไม่ได้หรอกร่างกายนี้เนาะวันหนึ่งมันก็ต้องแก่ต้องตายไฟมันก็บอกแบบนี้นะจิตใจเองมันก็บอกว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้นะยอมดูนะสังเกตดูมันจะคิดอะไรในนาทีข้างหน้านะเราก็ไม่รู้มีใครดูไหมไม่มีใครรู้นะ มันจะคิดอะไรเราก็ไม่รู้นะเนี่ยมันบังคับไม่ได้นมันเอาแน่อาน่อยไม่ไดนะ้แต่สิ่งที่เราปฏิบัตินะให้เราดูแบบนี้โยมคิดอะไรก็แล้วแต่นะเราพิงแค่รู้ว่ามันคิดจะเห็นว่าโอ้ความคิดมันเหมือนคล้ายๆเป็นอาการอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราจริงๆนะเราดูมันนะเราดูมัน ถ้าเราดูมันได้นะเราจะไม่ถูกความคิดหลอกอามาเคยพูดแล้วเนาะบางทีชีวิตเราเนี่ยความคิดมันหลอกให้ถูบบุหรีให้กินเหล้าให้ไปด่าคนอื่นให้ไปทำร้ายคนอื่นให้ทำร้ายตัวเองก็มีนะเนี่ยชีวิตเราเนี่ยแหละถูกความคิดหลอกหลอกให้รักหลอกให้ช่างหลอกหลอกให้โกรธหลอกให้เกลียดหลอกให้หลงอะไรก็ไม่รู้ เป็นกันทุกคนแหละไม่ใช่โยมพระก็เป็นนะพระบางทีก็ถูกหลอกให้ไปหลมไหลในลาบยศสรรเสริรกสญก็มีนะเป็นกันทุกคนนะสัตว์แต่ละชันก็ถูกหลอกนะให้หลงกับความสวยความงามของลูกของเสียงของรถของเทศตรงข้ามนะสัตว์ทั้งหลายนะั่นก็ถูกหลอกกันแบบนี้แหละนะแต่คราวนี้เราจะมาฝึกให้เรารู้ทันว่า ถ้าเราดูทันแล้วมันจะหอกเราไม่ได้หรือหลอกเราได้น้อยลงนะฝึกให้รู้ทันนี่แหละนะผีตัวไหนนะจะหอกก็ไม่เคยเห็นได้ข่าวว่าหอกคนตายนะแต่ผีนรกเนี่ยแหละหอกเราเนี่ยให้ตายนะผีที่มันหอกชีวิตเราเนะี่ยให้ไปฆ่าตัวตายให้ไปฆ่าคนอื่นตายเนี่ยมันน่ากลัวมากไอ้ความคิดตัวเนี้ยนะมันหอกเรานะหอกให้เรานอนไม่หลับหอกให้เราไปนั่นไปนี่นะ มันหอกเราสรารพัดการฝึกสติจะทําให้เรารู้ทันความคิดนะพอเรารู้ทันความคิดความคิดก็หลอกเราไม่ได้นะอันเนี้ยสําคัญมากชีวิตนี้โยมจะเป็นใครก็แล้วแต่นะไม่สําคัญหรอกถ้าโยมรู้ทันความคิดเนะี่ยโยมเป็นพระได้นะพระจริงๆก็เป็นพระจริงๆตอนรู้ทันความคิดนั่นแหละนจะเกิดความเป็นพระขึ้นในใจเลยนะนะ ความเป็นสงนะความเป็นพัะเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ทันความคิดปรุงแต่งนะความคิดปรุงแต่งดอกชีวิตจิตใจของเราไม่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นพักเลยนะนะพักจริงๆเนะี่ยแปลว่าผู้รู้เนี่ยแหละผู้ตื่นผู้เบิกบานกนะ็คือรู้ตัวนะจะทาอะไรก็มีความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นพักนะตื่นตื่นนอ อ, อะไรตื่นออกจากความคิดตื่นออกจากความหลง ตื่จากการปรุงแต่งต่างๆเนี่ยเนี่ยผู้ตื่นผู้เบิกบานอ่านะเบิกบานคือเป็นอิสระนะสิ่งต่างๆครอบําชีวิตจิตใจไม่ได้เนะี่ยเบิกบานเนี่ยทุกคนเนะี่ยเป็นพระได้ที่ตรงนี้แหละโยมนะเป็นพระที่ตรงนี้แหละนะใครก็เป็นได้นะถ้าเรามีผู้รู้เกิดขึ้นในจิตใจนะเห็นความคิดไม่หลงไปกับความคิดเนะี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากมาอยากจะพูดตรงนี้เพราะว่า บางทีวัดต่างๆที่ต่างๆนะบางทีเขาไม่เค่อยสอนกันตรงนี้นะพูดกันแต่เรื่องทําบุญทําทานนะหรือรักษาศีลก็รักษาเพื่อเป็นรูปแบบเฉยๆนะแต่จริงถ้าจะทําทานเนาะก็ต้องทาทานด้วยความเสียสละนะไม่ใช่ทาทานด้วยความบวังจะเอานะบางทีเราไปทําบุญเนาะยี่สิบาทร้อยบาทขอให้ถูกตัว ต, ตั้งที่สองวันที่หนึ่งอะไรแบนะี้ย ทานแบบนั้นนะไม่ใช่การทําทานนะเป็นเหมือนคล้ายๆอะไรอ้ อ, อนบอลขอร้องเนาะคล้ายๆเหมือนตกปลาโยมนะเอาไส้เดือนตัวเล็กๆนะไปตกปลาตัวใหญ่ๆนะทานแบบเอาไปต่อเอานะเอา่มันไม่ใช่ทานาจริงๆนะทานาจริงคือความเสียสละนะสละวัตถุภายนอกนะสละความโกรธสละความเกลียดเนะี่ยคือทานนะทาน <c oughs> เป็นอภัยทาน หรือรักษาศีลน่นะก็มีศีลจากการนักจากพระแล้วก็เอาไปปฏิบัติต่อนะเป็นทั้งมีสติรักษารักษาเลยนะบางทีเราว่าศีลห้า น, นะแต่เราว่าแต่ปากอาจมาเป็นงานต่างๆแล้วบางทีสุดรามีระยะมาเช่ประมาณนี่คนก็กินเหล้าอยู่ก็ว่าได้นะแต่มันก็ไม่ใช้เป็นศีล น, นะกินเหล้าอยู่ก็ว่าไปนะอืม หรือฆ่าสัตว์โยนะก็ว่าไปนะมันก็ไม่ใช่ศีล น, นะแต่ศีลจริงๆนะเนะี่ยเรารู้ทันความคิดนะความคิดจะพาเราไปทำผิดศีลมันไม่ทำผิดเนะี่ยเรียกว่ามีศีล น, นะกายวาจามันก็เรียบร้อยเพราะว่าเรารู้ทันจิตนะี่แหละมีศีลขึ้นเลยนะศีลไม่ต้องขอจากที่ไหนเลยโยมจะเป็นพระเป็นคนที่มีศีล น, นะมีความวดงามขึ้นในใจิตใจนะ แล้วก็เราฝึกจริงๆเราจะมีปัญญาเห็นรูปเห็นนามเห็นอาการของรูปอาการของน้ำฟังเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้นะรูปนามก็คือกายใจนะพูดแบบง่ายๆเห็นอาการของกายเห็นอาการของใจเห็นมาเป็นเพียงอาการนะเห็นทุกข์ของกายเห็นทุกข์ของใจเป็นอาการอาการเรียกว่ารูปบทุก นามันทุกเห็นมันเป็นทุกมันก็เลยไม่อยากจะยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ามันทุกมันก็หนักมันก็เหนื่อยมันก็ร้อนนะมันก็เลยปล่อยมันก็เลยวางมันก็เลยสบายนะเห็นแบบนี้นะคือมีปัญญาเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามเห็นเป็นอาการของรูปอาการของนามเห็นเป็นความทุกข์ของรูปความทุกข์ของนามนะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะ เห็นแล้วมันปล่อยมันวางโยมมันปล่อยมันวางถ้าเห็นแล้วยังบอกว่าเห็นแล้วยังยึดอยู่เห็นแล้วยังทุกอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เห็นมันคิดเอามันรู้เอาเฉยๆแต่เห็นจริงๆนะมันจะวางคล้ายๆเหมือนเราจับถูกของร้อนอ่ะมันจะชักมือออกทันทีเลยโยมนะใช่ไหมมันไม่มีหรอกถูกของร้อนแล้วก็ถือไว้แบบนั้นอ่ะนอกจากคนเป็นอมพตะอมภัสไม่รู้สึกน เราไปถูกน้ำนะมันก็ต้องดึงออกมาจิตของเราก็เหมือนกันจิตที่มีปัญญานะเห็นความทุกข์ปุ๊บนะมันออกมาทันทีมันออกมาทันทีดังนั้นเราก็เลยมาดูตรงนี้แหละดูร่างกายดูจิตใจนี่แหละมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ก็ดูมันดูมันมันหาสุขได้ที่ไหนนะที่จริงพอมันเห็นทุกข์นั่นแหละมันถึงจะเห็นสุขนะ ตรงที่มันสุขก็คือตรงที่มันไม่ทุกข์นั่นแหละนะพูดง่ายๆนะถ้าความสุขสนุกสนานจริงๆนะมันเป็นความสุขแบบแบบไหนนาะแบบเด็กเล่นเล่นดอกไม้ไฟ อ, อยอมนะจุดดอกไม้ไฟไปเรื่อยนะถ้าไม่ปล่อยนะไฟมันก็ลามมาถึงมือนะอืคล้ายๆแบบนั้นแหละนะมันมันมีความสุขแต่สุดท้ายมันก็เป็นความทุกข์นะแต่ความสุขที่แท้จริงคือมันเห็นทุกข์แล้วมันวางทุกข์ได้นะ มันก็เลยมีความสุขเพราะว่าการวางเนาะอันนี้เดี๋ยวจะพูดแบบนี้ให้โยมฟังเนาะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ฟังไม่เถิดนะมันเป็นปัญญานะมันเป็นสติปัญญาไว้นะปัญญาเกิดจากการฟังไว้ก่อนปัญญาเกิดจากการคิดได้นะสุดท้ายก็ปัญญาเกิดจากการพบเห็นคือการภาวนาเองเนาะนะให้โยมได้เห็นตรงนี้เนาะ ออย่าไปคิดถึงแต่เรื่องนะถูกหวยรวยเบอร์ต่างๆเนาะมันเป็นแค่สิ่งสมมุติภายนอกนะ่ะซื้อไปก็ถูกกินมากกว่าถูกจริงๆนะแต่ความสุขที่แท้จริงของเรานะโยมนะถ้าเราเห็นความคิดเห็นจิตเห็นใจนี่นแหละเราจะมีความสุขที่แท้จริงได้เนาะให้พวกเราได้ได้ลองตั้งใจฝึก ด, ดูนะนะเพียงแค่วันสองวันนะอาจจะน้อยนะ ในชีวิตนี้นะแต่เอมรก็ตั้งใจว่าอย่างน้อยแต่ถ้ามีคน2คนสามคนนะถ้าตั้งใจฝึกนะก็ถือว่าคุ้มค่านะคุ้มค่าในการสอนคุ้มค่าในการจัดนะเพราะว่าที่จริงนะพระจริงๆอาจจะมีไม่เยอะนะแต่เป็นพระที่มีคุณภาพจริงๆมันดีกว่าโยมจริงๆก็เหมือนกันนะโยมที่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆก็ขอให้ตั้งใจนะตั้งใจ มันจะได้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะคุ้มค่าในการเดินทางมาที่นี่เนาะนะก็ก็ฝากไว้นะเย็นวันนี้